พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้อยหกลำดับที่เก้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ห้ากุมภาพันธ์สองพันห้า้อยหกสิบมีชื่อเรื่องว่าเกิดในแผ่นดินดีอย่านี้ห่างศีลธรรมเออโอเห็นคณะสัทธาิโายม คงจะมาจากหลายแห่งหนแต่คงจะมาจากกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่นะแต่จะมาคงจะมาตากักหลายจังหวัดมาร่วมมารวมกันแต่หลวงพ่อเห็ น, หนครูบาอาจารย์เมื่อกี้เนะี่ยได้ถามพวกพระลูกลูกล้านหลานน้องๆ น, นะความมาจากที่ไหนบ้างก็มาจากคนละที่ละถิน่นละฐานกันพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็คงจะเช่นเดียวกัน คงจะมาคนละคนละแห่งแล้วหนกันเออเนี่ยใบปรวรณารวมปัจจัยสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทนะาพวกเราเนอะญาติโ <c oughs> ย, ยมคณะพระอาจารย์ชุทีให้ในบุญกูสนมากๆหลายๆทวทวหน้ากันที่หลวงพ่อมารับ ในานามแทนนางพระนสงของวัดนะเดี๋ยวนี้พระในวัดในวัดของหลวงพ่อทั้งหมดมีอยู่41อ็41อโรคนะพระ4ี่สกว่าองค์มีอะไรหลวงพ่อจะกล่าวอะไรให้ฟังก่อนนะทีนี้นะวันนี้เป็นวันที่หกลกุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมาหามงคลคณะ สายบุญพระอาจารย์สุทธีธิระธรรมโมจากอำเภอเบตงจังหวัดยะล า, ราพร้อมกับคณะส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ได้มาสู่วัดของหลวงพ่อแห่งนี้และก็วันนี้ทราบว่าจะคงจะขึ้นไปกราบพระศีหาสยายญาติวัดป่าภูก้อนออกจากนี่ไปก็ไม่ไกลนะครับนะักนะสัทายาทโยมเพียง 5-6 ากิโล ไม่ไกลแต่เป็นพระที่ทําได้สวยงามาแล้วก็เนี่ยเป็นการทัศนศึกษ า, าพวกเราท่านทั้งหลายคิดว่าทางอีสาน เ, เป็นยังไงครูบาอาจารย์ทางพระอีสานแต่พอมาดูแล้วก็เออพระวัดป่าท่านก็อยู่ป่าดงพงไพของท่านอยู่ในวัดของหลวงพ่อแล้วก็มีพระจากหลายแห่งหนึง เกือบว่าทั่ ว, ท, วทั่วประเทศไทยทุกเกือบทุกจังหวัดที่มาอยู่ที่วัดของหลวงพ่อนะก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันแต่ก็พระจำพรรษาแต่ละปีก็ปกกว่าองค์เกือบ50าองค์ก็ไม่เคยขาดแต่ในหน้าแรงเนะี่ยเดี๋ยวนี้มีอยู่41นะพระ41โรคนะได้อยู่ด้วยกันในขณะนี้น่าจะตุก ป, ปัจจัยที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาถวาย ในวันนี้ก็ น, นี่แหละหลวงพ่อก็จะได้ทําเป็นปัจใจสีของพระสงฆ์คือพระในวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเป็นหัวหน้าถ้าหาว่าหลวงพ่อได้รับเหมือนกันรถรถยนต์ถ้าเราใส่น้ํามันเครื่องเราจะไม่ใส่ทุ ก, ต, กตัวที่มันนกหมุนนะเอากรอกตรงที่เดียว มันก็ไหลซึมไป ท, ทุกเครื่องยนต์ของมันทุกตัวทีมมันฟันเฟืองของมันนี่ก็เหมือนกันนะในวัดของพ่อหลวงพ่อบริหารลักษณะอย่างนั้นละถึงหลวงพ่อจะรับ อ, องค์เดียวแต่ว่าเมื่อลุงพ่อรับแล้วหลวงพ่อก็เป็นค่าโอของอาหารค่าไฟค่าอะไรต่อไม่อะไรของพระด้วยความผาสุกจะถูกปัจจัยเจ็บไข้ได้ป่วยทุกอย่างนั่นแหละ เพราะฉะนั้นขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านที่ได้ทำบุญในคราวในครั้งนี้ก็ได้ให้มีบุญมีกุศลร่วมกันและก็พร้อมกันพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนะได้เกิดมาแปลว่าเป็นผู้มีบุญนะถ้าจะว่าไปแล้วปฏิรูประเทสวสโซจากปุเพจากตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในมงคลลสูตรปฏิรู ป, ประเทสวารโซจะเกิดในประเทศอันสมควรคือเป็นประเทศที่น่าอยู่ประเทศหนึ่งเป็นประเทศที่อรดมสมบูรณ์ด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารไม่อดอยากนะถึงจะมีน้ำท่วมบ้างแถบภาคใต้เมื่อกี้นี่นะแต่วัดหลวงพ่อก็น้ำท่วมเหมือนกันนะคณะัทยญาติโยมลุกท่วมเมื่อวันที่8ด ที่เก้าพฤตธิกานะจะเสียหายพอสมควรเทนพวกเราไปเดินไปในสะพานนะจะเห็นนะที่น้ำหลากหลามานะเอเราจะเห็นนี่แหละที่น้ำมันมาท่วมก็ทำให้เสียหายไปบ้างอันนี้ก็คือธรรมชาตินะแต่ก็ไม่เสียหายมากนะออในประเทศไทยของเราแผ่นดินไหวก็ไม่ไว้มากหนาวก็ไม่น้ามากร้อนก็ไม่ร้อนมากข้าวน้ำโภชนาะอาหารก็พอเป็นไปไม่ลาบาก อันนี้บอกปฏิรูปรเทสวาโซจะปุเพจักขะปุญญาตาพวกเราคงจะได้ทำบุญไว้ในอดีตแต่ชาตินะอันนี้อดีตแต่ชาติพวกเรายัางมาทำบุญในคราวนี้ครั้งนี้ละจังไปกราบพระอย่างเดียน่นะเราก็ตั้งความปรารถนาสาธุเนอร์ผูข้าเกิดนะมาในภพใดชาติใดก็ขอจะได้พบพาลชนพบคนผานให้ครบทบันดิตนักปราศ ให้พบประพุทธศาสนาและก็ให้ได้ปวาเพลิคุณงามความดีและก็ขอจะได้ความทุ ก, ก, กข์ยากลําบากเข็นใจย่าได้เกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเดินไปสู่มรรคผลนิพพานโดยสวัสดีภาพตลอดจนการเดินทางจนถึงสุดท้ายคือมรรคผลนิพพานในละครัเราคงตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตนะเพราะเราจึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทย แล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระมหากษัตริย์อย่างพระบาทเจ้าเดจพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานี่แหละเป็นผู้ทรงคุณภาพทรงคุณธรรมทรงศีลธรรมนําประเทศเให้ประเทศได้รับความร่มเย็นผาสุก เ, เกียรตรปราายปนะิประวัติของพระองค์เมื่อพระองค์สวรรคตไปแล้วประวัติของพระองค์ออกมาพวกเราเห็นไหมมีแต่ช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองมีแต่เกื้อกูลหนุน ประเทศให้ได้รับความความสุขความเจริญไม่ไม่ด้อยกว่าประเทศใดในลกแว่งนี้พวกเราคิดอยู่เจ๊ประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในโลกแ่งนี้เป็นเอ ก, กราชมาไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครก็เพราะอะไรก็เพราะตระกูลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยแหละคุ้มครองถือว่าพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยยวปฏิรูปรเทสวาร์โซจัด เป็นบุเป็นบุญเก่าพามาเกิดนะปุเพจจกกตะปุญจตาแต่เมื่อมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วพวกเราควรจะตั้งตนไว้ชอบอัตตะซัมมาปณิธิให้ตั้งตนไว้ชอบสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีในเมื่อเราคิดทําพูดในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วสิ่งที่มันไม่ดีนะจะตามสนองจะทําให้พวกเราเดือดร้อน ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าอ ก, กตังลุ ก, กตังเสวยโยปัชชาตะปฏิลุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ขอให้พวกเราฟังเอาไว้นี่คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าประดันขออย่างพวกเราที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนี่แหละ ให้ตั้งตนไว้ชอบสิ่งนั้นที่สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำรู้แล้วว่าสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีคืออะไรครับหลวงพ่อสิ่งไม่ดีคือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคือสินห้าเนี่ยแหละสิ่งที่ดีนะสินห้าของพระพุทธเจ้านี่ยเป็นสินที่คุ้มครองโลกทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าหากว่าคนขาดสินห้าคนชุมชนใดขาดสินห้า จะหวาดระแวงกันนะจะไม่ไว้ใจกันแต่เพราะหลไยเพราะว่าคนขาดศริยธรรมถ้าว่าคนกลุ่มใดอยู่ในชุมชนกลุ่มใดมีศีลห้าไปใดไปด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ไม่ระแวงแคลงใจกันเพราะอลไยเพราะไว้ใจกันได้แต่ถ้าว่าชนอยู่ใน ช, ชุมชนกลุ่มใดถ้าขาดศีลห้าไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในกลุ่มในตัวของพวกเรา นี่แหละจังสินข้อที่หนึ่งการอยู่ด้วยกันไม่คิดค่ากันอย่างนี้นถ้าว่าคนไม่มีสินก็คิดค่ากันคิดค่าสัตว์ตัดชีวิตและก็คิดค่าคนอื่นคนอื่นคิดค่าเราจยงนี้จะหาความสุขได้ที่ไหนตมีความทุกข์นะเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจยในเมื่อเขามาฆ่าเราพี่น้องพ่อแม่พี่น้องของเราเราก็เสียใจเมื่อเราไปทําให้กบกับคนอื่นเขาเขาก็เสียใจ เมื่อเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจขโมยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องของเขามาเรียกค่าทายอย่างนี้ก็เสียใจถ้าเขามาทำให้กับเราเราก็เสียใจนี่แหละอันนี้คือสินข้อที่สงข้อที่สามเราไปทำการเมสุมิจฉาจาราวิรพนีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้าเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาทาให้กับเราเราก็เสียใจ เมื่อเราไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นคนอื่นเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาโกหกเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นสินของพระพุทธเจ้าศินห้านี่นะถ้าเรานึกคิดย้อนดูให้ดีทบทวนดูให้ดีแล้วเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาในเมื่อเราไปทำให้กับเขาเขาก็ทุกข์ใจในเมื่อเขามาทำให้กับเราเราก็ทุกข์ใจ เออย่างโกหกอย่างนี้นะมุสาวาทานะถ้าเราไปเขียนเช็คให้เขาไม่มีเงินใช่ไหมอพอเขียนเช็คให้เขาแล้วก็รีบนี้ซะเป็นการโกหกเขาถ้าเช็คราคาไม่แพงก็ไม่เป็นไรถ้าเช็คเป็นล้านๆขึ้นมาแล้วเอาเงินเอาเช็คไปนั้นไปขึ้นเงินไม่ได้เออเรามีความรู้สึกไม่เสียใจยอย่างมากเพราะแล้วถูกถูกต้มตุ๋นหลอกลวงนะนี่แหละอันนี้ก็คือ สิ่งของพระพุทธเจ้าข้อที่5สุราเมรยะมัชฌะประมาณการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติได้เมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างนะการศรัทธาญาติโยมนะสิ่งที่ไม่ควรทําก็ทําเสียหน้าที่ตําแหน่งไปก็มีเสียพักเสียพวกเสียเพื่อนเสียฝูงเสียยศฐ า, าบนบรรดาศักดิ์ไปก็มากต่อมากเหมือนกัน ่อยได้เพราะสินข้อที่ห้าฆ่าใครก็ได้เพราะมันขาดเจติขโมยใครก็ได้เพราะขาดเจติลาลาบละล้วงในสามีของใครก็ได้เพราะขาดเติโกหกใครก็ได้เพราะขาดเจติเนี่ยนะสินข้อที่5เนี่เป็นสินอันตรายข้อหนึ่งนะให้พวกเราฟังๆที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะสรุปแรกก็คือถึงจะไม่ รักษาสินก็ให้รู้จักคุณค่าของศินสิ น, สนของพระพุทธเจ้าเป็นสินคุ้มของโลกทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าคนขาดสินนะอยู่ด้วดูด้วยกันแล้วแวงแขงใจกันนะพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ให้เป็นผู้เป็นผู้มีสินนะมีสินมีธรรมแล้วก็พร้อมกันก็ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลนะ ห, หลวงพ่อจะไม่ไม่พูดอะไรมากทั้งพูดตั้งไอไปด้วยพอหลวงพ่อเป็นวัดเป็นไอมาประมาณสักเกือบสองอาทิตย์นะคณะสาาตัตยาธโยมแล้วก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านขึ้นไปกราบพระภูกกรรแล้วก็เดินทางกลับด้วยความสุข ก, กายสุขใจเนอะแล้วกเ็เดินทางด้วยความเรียบร้อยราบรื่นจะได้มีอุปสรรค ด้วยบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์บุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้คุ้มครองคณะัตหายายมทุกหมู่ทุกเหล่าจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิง่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอขอให้สมหวังดังปราถนาทุกๆคนทุกๆท่านด้วยเถิน